สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพเรเยซูตอนที่ห้าร้อยแปดสิบเรายังคงอยู่กับหลักฐานการเป็นขึ้นไปสูความตายของเปเรียซูนะครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานพี่น้องครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของการที่คริสเตียนถือวันอาทิตย์นั้นก็เป็นหลักฐาน ที่สําคัญอย่างหนึ่งของคริสตจักรในวันนี้จะพูดถึงพิ ธ, ธีกรรมของคริสเตียนเราหรือพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในคริสตจักรนะครับก็เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าพระเยซูปเป็นไม่ได้ความตายแล้วพิธีของคริสเตียนในนิกายโปรเตสแตนต์นั้นมีอยู่สองพิธีครับพิธีแรกก็คือพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์หรือจะเรียกว่าพิธีศีลมหาสนิทหรือบางท่านก็เรียกว่าพิธีศีลละลึก ซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรวจนะของพระเจ้าหนึ่งโคริมบทที่สิบเอดข้อยี่สิบสามผมอ่านจนถึงข้อที่ยี่สิบหกหนึ่งโคริมบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบสามจนถึงข้อที่ยี่สิบหกเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอาญาพระเยซูเจ้านั้นโปรงทรงหยิบขนมปังครั้นขอพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดาจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดาท่านก็ประกาศการวายพัชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาทั้งหลายครับพี่ พี่น้องที่รักพิธีมหาสศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นการระลึกถึงการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูแต่ถ้าเราอ่านในกิจการบทที่สองข้สี่สิบหกเราก็พบว่าพิธีนี้กลับเป็นวาระแห่งความชื่นชมยินดีถามว่าทําไมเป็นวาระแห่งความชื่นชมยินดีกับเป็นการเฉลิมฉลองถ้าแม้นพระเยซูไม่ได้เป็นขณีความตายเราจะชื่นชมยินดีได้อย่างไร การระลึกถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่นําไปถูกการถอยศและการตึงพงบนแมงเคนก็จะทําให้เกิดความปวดร้าวเมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านี้แต่ถามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ความทุกข์กัดกุ้มของการเลี้ยงมื้อสุดท้ายนั้นกลายเป็นพิธีแห่งความชื่นชมดีเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองเป็นเวลาแห่งการเลึกถึงในทางที่ดีนั้นถ้าไม่ใช่เป็นการเป็นชื่อความตายของพระเยซู น้องครับพวกเราสามารถพบกับพระเยซูในพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เพราะเนื่องจากว่าพระองค์ไม่ได้ล้มหายตายจากไปแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นในความตายครับและยังทรงผู้ชนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจรึงประจักษ์และสามารถที่จะติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์ได้เราฉลองการสิบชนของพระองค์ในการสำนึกรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นในความตายแล้วพรวงทรงสถิต ก, กับเราครับ และพระองค์ให้เรารอคอยจิตด้วยจิตใจที่จดจ่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์ในวันสุดท้ายพี่น้องครับในข้อที่ยี่สิบหกนะบอกว่าเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้ดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายประชนขององค์พระบุพเินเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอันนี้คือสิ่งที่โดยนนยะนะครับโดยไนยะหมายความว่า หลังจากที่พระเยซูเสียชีวชนแล้วจนกว่าพระองค์จะเสด็จมานั่นหมายความว่าโดยนัยยะแล้วจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นเกิดขึ้นระหว่างนั้นก็คือการเป็นขึ้นเปความตายครับถ้าไม่เป็นขึ้นมีความตายพระเยซูจะเสด็จมาได้ยังไงครับพี่น้องเห็นไหมครับว่านี่คือสิ่งที่เป็นความหมายโดยนัยยะที่ซ่อนอยู่ในพิธีมหาเซนิสักดิ์สศี์ของคริสเตียนเรานะครับผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ พิธีนี้เป็นพิธีศีลดลึกละลึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําเพื่อเราไป็นแมงเค้นละลึกถึงสิ่งที่พระเยซูเป็นขีดความตายแต่ละลึกถึงการเสด็จ ก, กลับมาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักคําคํานี้ครับว่ามารนาธานะครับมารณานทานั้นเป็นคําอธิษฐานสั้นๆสําหรับพิธีมหาเซนิศักิ์สศึ์ครั บ, รบนะในหมู่ คนที่พูดภาษาอารเมกนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในคริสจักรสมัยแรกเนี่ยหลังจากที่เขาเสร็จพธิธีศีลมหาสนิทหรือพิธีมหาศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาจะพูดหรือว่าเขาจะอจธิษฐานสั้นๆว่ามารณะธามารณะทานะครับมารณะธาแปลว่าขอองค์พระุนเจ้าเสด็จมาเถิดขอองค์พระุนเจ้าเสด็จมาเถิดคริสเตียนในยุคแรกนะครับ ในคริสตจกักรยุคแรกประชุมกันเฉลิมฉลองพิธีนี้ด้วยท่าทีว่าขอองค์พระวิญญาเสด็จมาเถิดด้วยความหวังครับในขณะที่พวกเขาต้องแลกด้วยชีวิตเนื่องจากการเป็นคริสเตียนต้องถูกข่มเหงนะครับหลายหลายคนต้องถูกฆ่าตายด้วยวิธีการทรมาน แ, แบบต่างๆรวมทั้งการตึงมืแเม่งเขนเหมือนกับพระเยซูด้วยถ้าพระเยซูไม่เป็นขึ้นเความตาย คริสเตียนสมัยแรกจะประชุมฉลองพิธีนี้ด้วยท่าทีเช่นว่านั้นได้อย่างไรพิธีที่สองครับคือพิธีแบบติศมาศักดิ์สิทธิพี่น้องข้ากลาว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดในสองพิธีนะครับซึ่งแสดงว่าในพิธีศักดิ์สิทธิ์ของคริสเตียนโปรเตสแตนต์นั้นเรามีแค่สองพิธีนะครับเรียกว่าเซคเกตนะครับเซคเแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ครับ พิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีแบบมาศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ปรากฏอยู่ใ น, ในพระธรรมโรมบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกพระธรรมโรมบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะว่าอย่างไรควรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิ่งขึ้นหรื อ, อย้ายเป็นอย่างนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตยอยู่ในบาปต่อไปอย่างไรได้ท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพราะว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชภระสริรของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตตาม ชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์ในการตายอย่างพระองค์เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นในความตายด้วยเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทํำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปที่นี้ครับหกข้อนี้ทําให้เราเห็นว่า ความหมายของพิธีบัพติศมานั้นผู้สั้นๆมีอยู่สามอย่างครับก็คือเป็นการตายพร้อมกับพระเยซูถูกฝังพร้อมกับพระเยซูและเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูพี่น้องครับเวลาเข้าชั้นเรียนเตรียมรับบัพติศมาเราจะสอนผู้ที่กําลังจะรับบัพติศมาสั้นๆว่าตายฝังฟื้นร่วมกับพระเยซูตายฝังฟื้นร่วมกับพระเยซูนะครับพิธีเข้าเป็น คิดเหตาสัง ก, นกชนก็คือพิธีบัพติศมานั่นเองพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ทําให้คริสเตียนนะครับกล้าที่จะแตกต่างจากลัทธิยิวหรือศาสนายิวชาวยิวยังให้คนเข้ารีดรับพิธีชุนักแต่คริสเตียนนั้นทําตามพระมหาบัญชาขององค์พระวเจ้าในเรื่องบัพติศมานั่นคือพระหาบัญชาที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบแปดข้อสิบเก้ายี่สิบนะครับ คริสเตียนทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูเรื่องบัพติศมาเพราะฉะนั้นพิธีบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงอะไรเราไม่มีข้อสงสัยนะครับและอาจารย์เปาโลอัครรุษเปาโลอธิบายว่าคนที่รับบัพติศมานั้นได้ร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์ในการสิ้นพระชนการถูกฝังและการเป็นที่มความตายเมื่อเขาจมลงไปน้ําเขาได้ตายแต่ธรรมชาติบาปถูกฝังอยู่ในน้านะครับทุกส่วนของชีวิตของเขาร่างกายของเขาอยู่ในน้ํา และเมื่อเขาขึ้นมาจากน้ํำก็เท่ากับว่าเขาได้เข้าส่วนในชีวิตใหม่ที่มีชัยชนะเหนือความตายร่วมกันกับพระเยซูเพราะฉะนั้นพิธีทั้งสองอย่างนี้จึงเป็นพิธีที่มีความหมายมากครับและ พ, พิธีทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่มีขึ้นนะครับแรกสุดในาศาสนาคริสต์และแสดงการเชื่อมโยงระหว่างการสิ้นพระชนกับการเป็นขึ้นเนือความตายโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายความหมายของพิธีบัพติศมาศักดิก์สิทธิ์ได้อย่างไร ชาพเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยสรุปนะครับคริสจักรนั้นเป็นสถาบันและพิธีในคริสจักรนั้นก็เป็นพิธีที่เล็งถึงการเป็นขึ้นมีความตายไม่เพียงแต่การขึ่นมชวนเท่านั้นจะต้องรวมถึงการเป็นเหนือความตายด้วยนะครับพิธีที่คริสเตียนรักษานั้นทําหน้าที่เป็นพยานหลักฐานของการกําเนิดคริสจักรที่มีสืบเนื่องมาและเป็นพยานหลักฐานของชีวิตพระเยซู ในเรื่องของการสิ้นพระชนการเป็นที่มีความตายเช่นเดียวกันพี่น้องครับชาวยิวนั้นยึดติดกับขนบธรรมเนียมทางาศาสนาอย่างเหนียวแน่นแต่ถึงกระนั้นคนเหล่านั้นกับถือวันแห่งองค์ผู้วิญเจ้าก็คือมานณาทิตย์เวลาที่เขาคอนเวอร์ตหรือกับใจมาเป็นคริสเตียนแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์และเป็นหลักฐานที่สาคัญที่สุดที่ทาให้เราเชื่อได้ว่ามั่นใจได้ว่าและสามารถที่จะปกป้อง ความเชื่อของเราได้ว่าพระเยซูปเป็นขึ้นเหนือความตายแล้วอเมน